ทิดดูคนเป่าขลุยกัลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชาวนาที่ยากจนอาศัยอยู่กับภรยาและลูกๆพวกเขาช่วยกระทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มีอาหารประทังชีวิตพวกเขาทำงานอย่างหนักยกเว้นลูกชายคนเล็กสุดของชาวนาทิดดูทิดทดูแทบจะนอนทั้งวันและไม่สนใจที่จะช่วยเหลืองานใดเลย เขาไม่สนแม้แต่ครอบครัวของเขาจะดุด่าเขาเพียงใดถ้าหากเขาโดนจู้จี้มากเกินไปทิดดูก็จะหลบเข้าไปในป่าในที่นั่นเขาจะนอนหลับใต้เงาของร่มไม้ไม่ก็เป่าฟลุดเล่นไปวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเป่าฟลุดอยู่มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาน้อยเล่นคลุยได้เพราะจริงๆขอบคุณครับ ผมฝันว่าผมอยากนั่งเล่นคลุ่ยไปเฉยๆโดยไม่ต้องทํางานหนักอะไรเลยในชีวิตแล้วก็กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในอนณาจักรเลยไม่มีฝันใดเป็นจริงได้ถ้าเราขี้เกียจหรอกนะเจ้านมไม่มีใครรวยได้หรอกนะหากไม่ทํางานแต่ว่าผมไม่ชอบทํางานแล้วทําไมไม่เล่นซุตหรือว่าคลุ่ยของนายให้คนอื่นฟังละ่ะผมไม่มีคลุ่ยหรอกนะ แล้วก็ไม่มีเงินพอจะซื้อพวกมันด้วยงั้นนายก็เล่นฟลุตไปก่อนซิไม่นานเดี๋ยวก็มีเงินพอซื้อคลุยเองดังนั้นทิดดูจึงเริ่มเล่นฟลุตให้ผู้คนในหมู่บ้านฟังเขาเล่นมันได้อย่างไพเราะและผู้คนต่างวางเรียนใส่หมวกของเขาอย่างมีความสุขไม่นานทิดดูก็มีเงินพอที่จะซื้อชุดเซ็ตคลุย เขาเริ่มเล่นขลุ่ยและเล่นมันได้ดีกว่าฟลุตมากทั่วทั้งหมู่บ้านรอบๆย0สกว่าหมู่บ้านรู้จักทิดดูและไม่มีหมู่บ้านใดเลยที่จะไม่เชิญทิดดูเป็นเล่นในงานแต่งงานของพวกเขาทิดดูพวกเราไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตฉันไม่รู้จักศิลปะของนายนักกรอกแต่โปรดรับเงินนี้พเหรียญเพื่อเป็นการตอบแทนของพวกเรานะขอบคุณมากครับ ความมั่งคั่งทั้งหมดนั้นทำให้ทิดดูมีความสุขมากแต่มันก็ยิ่งทำให้เขาโลภมากขึ้นเช่นกันเป็นเวลานาะนที่เขาออกมาจากบ้านและแทนที่เขาควรจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเขาตัดสินใจไปดินแดนแห่งคุงล่าว่ากันว่าครอบครัวของคุงล่าร่ารวยเกินกว่ากษัตริย์5้ิพระองค์รวมกันเสีย อ, อีกเงินของข้าเงินของข้าอยู่ไหนนะ ถ้าค่าได้ไปเล่นที่คุงล่าแล้วก็ข่ารวยและแน่เลยดังนั้นทิศ ด, ดูจึงเก็บสมบัติและครุยของเขาเพื่อจะนั่งเรือไปคุงล่าแต่ทิศ ด, ดูปฏิเสธที่จะซื้อตั๋วเขาโกหกว่าเขาไม่มีเงินทั้งที่เขามีเงินมากพอก็โทษนะครับคุณแสดงตั๋วด้วยครับคือผมไม่มีเลยครับต้องขอโทษด้วยนะผมคงให้คุณผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่มีตัว๋ว ผมยากจนมากเลยครับถ้าซื้อตั๋วได้ผมคงทำไปแล้วขอโทษจริงๆนะครับหนึ่งในลูกเรือรู้จักทิดดูเขาเคยได้ฟังทิดดูเล่นคลุยของเขาเขาจึงแอบช่วยเหลือทิดดูทางนี้นายใช่นักเล่นคลุยที่มีชื่อเสียงใช่ไหมใช่ครับนายน่าจะมีเงินพอซื้อตั๋วหนินะ แต่ไม่เป็นไรฉันรู้ว่านายเล่นได้ดีแค่ไหนฉันจะบอกวิธีให้หนายได้เข้ามาพอถึงกลางคืนนายต้องกระโดดลงไปในน้ําแล้วว่ายไปที่ลหลังเรือฉันจะให้กัปตันช่วยนายขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนายต้องบอกเขาว่านายว่ายน้ําตามลาหลังเรือมานะคิดดูกลายเป็นคนขี้เหนียวมากจนเขาตัดสินใจกับแผ น, ปนแปลกๆเช่นนี้พอถึงกลางคืนเขาออกมาจากที่พักของลูกเรือและกระโดดลงไปในน้ํา ลูกเรือตะโกนขึ้นมีคนว่ายน้ำอยู่ท้ายเรือมีคนว่ายน้ำอยู่ท้ายเรือเขาใกล้จะจมน้ำแล้วแล้วเขายนเชือกห้เขาแล้วดึงเขาขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยพวกเขาดึงทิดดูขึ้นมาบนเรือนายมาที่นี่ได้ยังไงก็คุณไม่อนุญาตให้ผมขึ้นเรือโดยที่ไม่มีตัว๋วผมก็เลยว่ายน้ำตามมาแต่ตอนนี้ ผมแทบจะไม่มีแรงแล้วถ้าคุณไม่ดึงผมขึ้นมาผมคงจมน้ำตายแน่เลยนายไห้นามาก็แปดชั่วโมงเลยงั้นเหรอฉันไม่รู้ว่านายจะยอมเสี่ยงตายเพื่อไปคุ้งล่าขนาดนี้งั้นก็มากับเราดังนั้นทิดดูจึงได้รับอนุญาตให้อยู่บนเรือและในไม่กี่วันเรือก็มาถึงคุ้งล่าทิดดูเดินไปตามท้องถนนในคุ้งล่า ประหลาดใจมากที่ได้เห็นประตูส่วนใหญ่ของพวกเขาทำจากทองคำผู้คนนั่งอยู่บนรถมา้าที่เต็มไปด้วยอัญมณีมีค่าแม้กระทั่งพ่อค้าธรรมดาในตลาดยังดูร่ำรวยเรากับเป็นขุนนางหรือเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ไม่ปานฉันจะสร้างโชคของฉันที่นี่มาเลยอยู่ในคุงล่าแม้กระทั่งคนใช้ยังได้เงินเยอะกว่านักดนตรีจากที่อื่นสิบเท่าเลยนะ ทิดดูได้ยินดังนั้นเขาจึงตัดสินใจได้หากคนใช้ได้เงินเยอะกว่านักดนตรีเขาก็คงอยากเป็นคนใช้เขาทิ้งคลื่ของเขาและทำงานในคฤรืหัดหลังใหญ่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนของการทำงานฉันประทับใจในการทำงานของนายนี่เงินเดือนของนายเพียงแค่หนึ่งเดือนทิดดูได้รับเงินมากกว่าที่เขาทำงานมาเป็นปีแต่ยิ่งมีเงินมาก ทิดดูก็เริ่มโลภมากขึ้นแล้วเขาก็หยุดซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆและตัวเก่าของเขาก็เริ่มขาดวันหนึ่งเจ้านายของเขาเห็นเขา้านี่นายคนใช้เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่ซะไม่งั้นท่านจะไล่ออกฉ่านไม่ยอมให้มีคนใช้ดูจนๆนในบ้านของท่านหรอกนะคนอื่นจะหาว่าฉ่านจ่ายเงินได้ไม่ดี และฉันไม่ยอมแน่นอนเมื่อทิดดูได้ยินเจ้านายของเขาพูดดังนั้นเขาก็มีสติขึ้นหัวใจของเขาช่าง น, น่าสังเวชเขาโหยหาการสรรเสริญและความคารพที่เขาเคยได้จากหมู่บ้านเกิดเขาเขาหลบไปปลอบใจตัวเองริมแม่น้ำใกล้ๆเมืองเขานั่งลงและมองลงไปในแม่น้ำใบหน้าที่คุ้นเคยได้สะท้อนออกมาทิดดูหันหลังไป เขาเป็นคนเดียวกับที่ทำให้ทิดดูเริ่มเล่นดนตรีนี่คุณรู้เหมือนายจะจำฉันได้นะความกระหายเงินของนายไม่ได้ลบฉันออกจากความทรงจำสินะผมมีเงินมากมายแต่ว่านานแล้วที่ไม่ได้รับความเคารพนายจะมีความสุขกับการเป็นคนใช้งั้นเหรอในเมื่อหัวใจของนายรักในเสียงดนตรีนายจะยอมเสียพรสวรรค์ที่มีเพียงเพื่อเงินเล็กน้อยงั้นเหรอ มันไม่ใช่เพราะนายขาดความเคารพก็เลยเจ็บปวดหรอกมันเป็นเพราะความโลภต่างขากที่ทำร้ายน่ะผมควรทำยังไงดีคุณช่วยบอกทางให้ผมได้ไหมตรวจชี้ทางให้ผมอีกครั้งก็เหมือนเดิมนั่นแหละเลื่อมความกระหายเงินไปซะในขณะที่นายเล่นรอบนี้ไม่ต้องขอเงินเป็นการตอบแทนในการเล่นของนายนายจะเห็นว่านายได้รับการตอบแทนที่ดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้ฝึกมานานแล้ว ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ดีเหมือนเมื่อก่อนไหมช่างโชคร้ายเหลือเกินที่นายทิ้งผ่นสวรรค์ที่งดงามของนายไปแต่ฉันมั่นใจว่านายต้องกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งตอนนี้นายมีเงินมากพอแล้วนี่ผมจะทาตามที่คุณบอกครับดังนั้นทิดดูจึงกลับไปฝึกฝนเล่นครุยอีกครั้งเขากลับมาเล่นดีและดีกว่าเมื่อก่อน บทเพลงของเขาไพเราะจับใจชาวเมืองคงล่าก็เลยตอบแทนเขามากมายจนกระทั่งทิดดูกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆแต่ในตอนนี้ทิดดูได้เปลี่ยนไปแล้วเขาต้องการกลับบ้านไปหาครอบครัวของเขาดังนั้นเขาจึงซื้อเรือและล่องเรือกลับบ้านพร้อมกับสมบัติของเขาแต่อนิจจารเรือของเขาถูกพายุ ข, ขนาดใหญ่ซัด จนสมบัติทั้งหมดของเขานะั้นจบไปพร้อกับเขาแต่โชคดีที่ทิดดูถูกซัดมายังกรอบแปลกๆ แ, แห่งหนึ่งฉันอยู่ที่ไหนกันฉันคงเสียทุกอย่างไปกับพายุแล้วสินะทิดดูหิวมากเขาเริ่มออกสำรวจหาอาหารในเกาะไม่นานเขาก็พบกับต้นแอปเปิ้ล และต้นที่เต็มไปด้วยเฮเซลนัทเขาเก็บพวกมันมาทั้งคู่ด้วยความหิวอย่างมากเขากลับมาที่ชายหาดและเริ่มกินมันแต่เมื่อเขากัดแอปเปิลไปได้ไม่กี่คำจมูกของเขาก็เริ่มยาวออกมาเกือบถึงเท้าของเขาเลยอะไรกันเนี่ยฉันต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดงั้นเหรอ ในความมึนงงของเขาเขากัดไปที่ลูกเฮเซลนัทและเกลือนเข้าไปเพื่อบันเทาตัวเองเขาพบว่าจมูกของเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งนี่ต้องเป็นผลไม้วิเศษแน่เลยอย่างน้อยฉันก็ไม่อดตายที่นี่มั้งฉันไม่สนสมบัติของฉันอีกแล้วก็จริงที่มันช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นแต่มันเยียวยาความเจ็บปวดข้างในของฉันไม่ได้เลยแต่ฉันก็ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นนอกจากครุยของฉันฮ่า ทันใดนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดและฟ้าได้ร้องเสียงดังทิดดูมองไปเห็นใบหน้าของชายคนนั้นบนท้องฟ้าทิดดูฉันดีใจนะที่ในที่สุดนายก็เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้ได้ไม่เสียใจที่สูญเสียความร่ำรวยไปดังนั้นฉันจะคืนครุยให้กับนายนายจะได้รับความช่วยเหลือเร็วๆนี้มีเรือของราชาแห่งอาณาจักรริเวรา่ากำลังจะผ่านมา ราชานั่นคิดว่าครอบครัวของเขางดงามที่สุดบนโลกนี้เขาจับประชาชนไว้เพียงเพราะพวกเขาแต่งตัวไม่งดงามพอใช้แอปเปลิลและลูกนัดนั่นเพื่อสั่งสอนบทเรียนให้แก่เขาและเจ้าจะมีรายได้มากพอที่จะกลับมานทิดดูรีบทำตะก้าสองใบยอย่างรวดเร็วเขาใส่ตะก้าใบาหนึ่งด้วยแอปเปลิลและอีกใบด้วยลูกนัดไม่นาน เขาก็พบเรือกำลังแล่นผ่านมาทิดดูบอกมือออกไปและก็ได้รับความช่วยเหลือเรือท่อสมอลงที่อาณาจักรริเวรา่าทิดดูปลอมตัวจนไม่มีใครสามารถจำเขาได้เขาหอบตะกามาที่พระราชวังแอปเปลิลสดใหม่หวานฉ่ำยังกับแสงสีทองของพระอาทิตย์จา้าแอปเปลิลสดใหม่หวานฉ่ำยังกับแสงสีทองของพระอาทิตย์จา้าตอนนี้ พ่อครัวกำลังมองหาแอปเปลิลเพื่อทำอาหารให้กับครอบครัวของราชวงศ์อยู่พอดีเขาจึงเรียกทิดดูมาเฮ้ hey, ทั้งนี้พ่อค้าแอปเปลิลแอปเปลิลนี่ดีพอจะเสิร์ฟให้ราชาใช่ไหมอ๋อ oh, คุณไม่เคยเห็นแอปเปลิลที่ดีกว่านี้อีกแล้วละ่ะคุณเอาไปลองด้วยตัวคุณเองซิมันดูดีเป็นพิเศษเลยนะถ้างั้นฉันเอาหมดตราคานี่เลย ทิดดูรีบรับเงินออกมาแล้วออกไปจากที่นั่นก่อนที่พ่อครัวจะลองกัดแอปเปิ้ลด้วยตัวเองไม่กี่วันผ่านไปทิดดูก็ได้ยินข่าวลือว่าราชวงศ์กำลังล้มป่วยอยู่และในวันหนึ่งก็มีประกาศขึ้นโปรดฟังโปรดฟังมีสารจากพระราชวังมาครอบครัวของราชวงศ์กำลังป่วยแปลกจากแอปเปิ้ล ความเจ็บป่วยนี้ไม่ได้ทำอันตรายแก่พวกเขามันแค่ส่งผลกับจมูกของพวกเขาใครก็ตามที่สามารถหาวิธีรักษาได้เขาจะได้ครอบครองอาณาจักรครึ่งหนึ่งทิดดูได้ยินสิ่งนี้เขาจึงทาผงจากลูกนัดและปลอมตัวเป็นหมอเขาเข้ า, ขาไปในพระราชวังพร้อมกับลูกนัดฉันมีวิธีรักษาพระราชาและครอบครัวให้พวกเขากินสิ่งนี้คนละห้าช้อนแล้วพวกเขาจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ และแน่นอนครอบครัวของราชวงศ์ได้รับการรักษาจมูกของพวกเขาและราชาก็ได้ตอบแทนทิดดูนายเป็นคนรักษาพวกเราฉันจะทําตามสัญญาและมอบรางวัลให้แต่ฉันยากมอบอะไรให้นายมากกว่าอาณาจักรของฉันครึ่งหนึ่งนายต้องการอะไรฟาบาดข้าได้ยินมาว่ามีคนถูกจับเพราะพวกเขาแต่งกายไม่ดีพอ ปล่อยพวกเขาถนะฟาบาตตามที่เจ้าปราถนาความเยอะหยิ่งของข้าเป็นแค่สิ่งลวงตาข้าจะ้ทำตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ข้าได้ปล่อยนักโทษทั้งหมดไปแล้วมีสิ่งใดที่นายต้องการนอกจากอาณาจักรของข้าอีกครึ่งหนึ่งไหมข้าไม่ต้องการอาณาจักรครึ่งหนึ่งของท่านฟาบาตแค่ให้เรือลำหนึ่งพอให้ข้าได้ล่องกลับบ้านและเงินสาหรับซื้อที่ดินสักเล็กน้อย ได้แนนนอนดังนั้นราชาจึงมอบเรือที่ดีที่สุดของเขาพร้อมกับสมบัติมากมายแก่ทิดดูเขากลับมายังบ้านซื้อที่ดินขนาดใหญ่เพื่อสร้างคฤหา์และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขพร้อมกับครอบครัวของเขาเขาเล่นขลุ่ยและแบ่งปันความร่ำรวยของเขาแก่คนที่ยากไร้และไม่เคยขี้เกียจและโลภมากอีกเลย ความร่ำรวยและความงดงามนั้นสูญหายไปได้แต่พรสวรรค์และความขยันจะไม่มีวันจากคุณไปไหน